ค่ะมีคำถามถามว่าอันนี้อนุญาตไหมนะคะถ้าคนที่มาหยิบของของเราไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเราก็คิดว่าเราก็คงเคยหยิบของของเขามากรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกันเล้ทำอไรเราคิดว่าเขาก็มาเอาของเขาคืนไปถือว่าเป็นการใช้หนี้กันหมดไปแล้วแต่ถ้าเราก็ไม่เคยเอาของของเขามา แล้วเขาก็มาของของเราไปเอ้ใครสามปัญหายบยอยอแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องของเขาถ้าผลมันจะเป็นไงนะคะทั้งทั้งเจ้าของสัพย์และคนที่เอาไปปัญหาเงินเลยนะเข้าใจแล้วคืออย่างนี้คือคืออย่าไปเข้าใจว่านะอย่าไปเข้าใจในกรณีว่าเนี่ยคนเราโดยมากก็ มีอยู่คนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยที่ทนอยู่กับเขามาถือว่าใช้กรรมไปนจะได้หมดหมดกรรมไปเขาอัางั่นเองชาติหน้าจะได้สบายไอ้ค น, นคิดอย่างเนี้ยลัตทิชดใช้กรรมเนี่ยไม่มีในพระศาสนานะคืออย่างนี้ว่ากรรมที่เคยทําไว้เนี่ยถ้าถามบอกว่ารู้ไหมมันจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วไปทํากรรมอะไรมาก็ไม่ทราบใช่ไหม แอ้วกรรมเนี่ยมันเวลามันให้ผลเนี่ยนะมันให้ผลมันจะนานแค่ไหนไหนก็ไม่รู้แล้วไปทำกรรมอะไรมาก็ไม่ทราบถามไปมันก็จะมีปัญหาตามใมา่เยอะฉะนั้นอย่างนี้ว่ามีคนมาหยิบของของเราไปอันนั้นแปลว่ามั น, มนล่วงเจตนาที่คิดจะรักนะมันเรียบร้อยไปแล้วของนั่นก็หายเรียบร้อยไปลเลยนี่เนะือครบองค์แล้วเนี่ยอย่างนั้นเป็นกรรมรบวชแล้ว เขาก็ศีลข้ออธินนาทานเขก็เรียบร้อยไปเลยพังไปเลยพังไปแล้วส่วนเราเนี่ยถ้าถามว่าที่เคยเกี่ยวข้องอย่างนี้เคยไปทําเข้ามาไหมอะไรต่างๆนั้นมันไม่ใช่ว่าไปทําคนนั้นคนนั้นตามมาทํานะไม่ใช่คนละเรื่อ <dramas> งเลยนะกรรมไม่ใช่อย่างนั้นสภาพของกรรมก็คือว่าเมื่อเมื่อเรามีของแล้วมีทรัพย์แล้วทรัพย์ก็ถูกลักถูกขโมยมันก็เข้าอยู่ในข้อของการให้ทานโดยการการะทบ ตนและบุคคลอื่นก็ด้วยแล้วก็ในข้อของคําว่าทินนาทานเป็นต้นด้วยมันเชื่อมโยงกันนะทานกระสีเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันอย่างนี้เวลาให้ผลก็ให้ผลลักษณะแบบนี้ให้ผลว่ามีของก็ถูกคนลักคนขโมยไปอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราเหตุในเราสร้างมาแน่นอนแต่คนคนนั้นเขาก็ทําเหตุใหม่ก็ทํากรรมใหม่และกรรมที่เขาทํานั้นก็ต้องเบียดเบียนกระแสชีวิตเข้าไปทําให้เขาเดือดร้อนเหมือนเราที่เดือดร้อนมีอะไรก็มีแตคนมาลักเอาเนี่ยมาลักเอาเนี่ย ก็ทำให้เราเดือดร้อนอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอ๋อแสดงคนคนนี้เราเราไปคิดว่าชาตินี้เขาไม่เราไม่เคยไปรักของเขาเลยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่เอาเรื่อยเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่อย่างงี้ยถ้าเรามองนี่นะว่าเออเรามีทรัพย์นี่นะเรามีทรัพย์มีบ้านเออถ้าอยู่ต่อมาเนี่ยบ้านมันพังไปเพราะแผ่นดินไหวถ้าถามว่าอล้วนี้นี้ใครมาเราไปทําอะไรมาอี ทางนี้เรามองสื่อกรรมได้ก็อ๋อให้ทานโดยกระทบตนและบุคคลอื่นอย่างหนึ่ง2ในข้อของอาทินนาทานถ้าเสียชีวิตด้วยก็เกี่ยวกับเรื่องของปาณาดิบาไออย่างนี้เราก็เราก็เกี่ยวข้องมานีกรรมจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าเราไปคิดว่าเออเขาไปเอาของเขามาเอาของเราถ้ามีอะไรเขาก็มาเอาเบีดเสร็จเราถือว่าเออเราใช้กรรมไปเราใช้กรรมไปอันนี้คิดไม่ถูกแล้วคิดไม่ถูกแล้ว เพราะลหลักการก็คือการป้องกันนั่นเองนั่นก็ต้องป้องกันแต่ที่เราถึงป้องกันยังไงเราก็เจออย่างนี้การคิดว่าโอ้ oh, นี่ไงกรรมที่เกี่ยวกับใน เ, เรื่องของอาทินนาทานทั้งหลายเหล่านี้ให้ผลแล้วแต่คําว่าให้ผลแล้วก็ต้องระวังไหมก็ต้องระวังให้สังเกตนะบ้านบางบ้านเนี่ยโจรขึ้นตลอดไอ้บ้านไกลๆไมยอมขึ้นยอมมาลอย บ, <c oughs> บ้านเราเนี่โดนขึ้นตลอด น, นี่สิบกว่าครั้งแล้วนี่ก็อย่างงี้ให้จนเขียนบอกว่าในบ้านนี้ไม่มีอะไรให้รักแล้วเนเนี่ย ต้เขียนขนาดนี้อันนี้ก็นี่บ่งบอกก็เกี่ยวกับนี้เรื่องของคานเหล่านี้เลยในเรื่องศีลเหล่านี้ที่ตัวเองเสียหายไปแต่ถ้าถามว่ามันจะหมดเมื่อไหร่โอ้โหยากมากสังสารเรื่องกรรมที่เคยทําไว้จะตอบได้ยังไงตอบไม่ได้เลยจช่ไหมเมื่อกรรมนั้นหมดกําลังลงเมื่อไหร่ก็หมด